การปฏิบัติธรรมการเป็นนักบวชเป็นการปฏิบัติใจส่วนการงานด้านอื่นไม่ค่อยจะมากมายเท่าไรเป็นเรื่องการปฏิบัติใจโดยเฉพาะว่านักบวชที่จะอยู่ได้อยู่ไม่ได้ของพระอาศัายเรื่องของใจส่วนอุปกรณ์ข้างนอก ที่อยู่ที่อาศัยส่ยสวงลุ่งทรงหฮมอตลอดการขบชันทุกอย่างทางโลกเขาสนับสนุนอุปถัมภ์ดูแลตามต้องควรไม่มีนะักบวชคนใดที่ต่างใจประพิธีปฏิบัติจะอดตายฐานะตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติตามธรรมดีในที่หระงพ่อใชเจ้าทรงบัญญัติ หรนักบวชคนนั้นจะมีขบมีฉันมีอยู่มีจินตามฐานาหน้าที่แต่นักบวช <c oughs> ที่อยู่ไม่ได้ในศาสนาก็เพราะเรื่องของใจคือใจจิตกตุ่มเรื่องเนาเห็นว่าเรือเเอเ่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญเรื่องนั้นเป็นเรื่องดีการอยู่ในวัดในวาในศาสนา หรือว่าไม่มีสาระไม่มีแ่นสารหรือนอกจากนั้นคิดว่าเรายังจะมีอายุยืนยงคงทนถาหากึกไปแล้วต่อเมือ่ออายุแก่ถึงจะวกเข้ามาปฏิบัติศาสตจะนาอีกมีความคิดปรุงของใจมัดคิดไปต่างๆนานาด้วย อ, อำนาจของกิเลสตัณหาผลดันาใา้คิดให้ปรุงไนเรื่องเลวๆ ฉะนั้นนักบวชยึงอยู่ในศาสนาไม่ได้ทุกรายไปจะอยู่ได้ก็จำนวนน้อยตอนนักบวชในเมืองไทยโดยส่วนใหญ่มีมากที่บวชสึก อ, ออกไปจำนวนมากหลายเท่ากว่าที่ยังเหลืออยู่ในศาสนาที่เลืออยู่นับว่าจานวนน้อยที่สุดแหาเป็นเรื่องการเกิด การตายทำนองที่ว่ารักบวชในศาสนาหมายความว่าการเกิดแต่การสึกไปคือตายแล้วโลกอันนี้จะไม่มีวันที่แน่นอันนี้คือวันที่ครับแค่เพราะการเกิดไม่เท่าไรส่วนการตายจำนวนมากนับวันย่อยยับดับสูญเรื่อยไปนี่คือใจ ของนักบวชไม่คอยเห็นอัดทมไม่เห็นความสงบไม่เห็นความสุขจากการบวชของตนฉะนั้นทางศาสนาหรือตำราที่ท่านกล่าวเอาไว้ไทยอันตรายของผู้บวชใหม่ท่านละอดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้ทีเกียดทำตาม คือม่อยากทำตามคำสอนของผู้ใจเจ้าที่แนสอนเอาไว้ไม่ว่าทำไม่ว่าพูดไม่ว่าคิดมาอยากออกเนื้อเรื่องของศาสนาออกเปล่าเถียนไปหัวใจเป็นอย่างนั้นจะอยู่ในศาสนาก็อยู่ยากลำบากเหมือนกันกับว่ากักถังตัวเองตาไม่ได้ดูหูไม่ได้ฟัง ยามูไม่ได้กลินล่นลิ้นไม่ได้รดกายไม่ได้สัมผัสจิตนึกคิดไปในเรื่องนอกก็ถือว่าเป็นอุปสนของจิตจิตต่อหลักของธรรมอีกจึงเป็นเรื่องจิตยูยา่าลาบากลาคาญกิเลสภายในมันชอบมันยินดีในเรื่องของโลกความติดข้อง ของโลกมันมีมากกำลังของกิเลสตัณหามีมากลากดึงจิตใจให้ไข่คิดติดข้องเรื่องหน่นนะๆชั่วเช็ดปียอดนองนั้นข้อที่สองต่อไปก็เป็นคนเห็นแสียปากขสท้องทนความอดอยากไม่ได้คือเวลาต้องการ เย็นได้ร้อนต้องการร้อนได้เยน็นต้องการหวานได้ข้าวต้องการข้าวได้หวานต้องการเข็มได้จืดต้องการจืดได้เข็มเพราะชีวิตของนักบวชอาศัยคนอื่นจะถูกตามความต้องการของตัวทุกขณะทุกเวลาไปเป็นไปไหม่ยดานอกจากนั้นอาหารที่เขานำมาถวายบางวันบางเวลาก็น้อยบางวันบางเวลาก็มาก สู้การหาอยากหาจินเฉพาะตัวเมด้อยากจินอะไรอยากทานอะไรก็ทําทจินไปทําทานไปหรือซื้อเอาตามที่เราต้องการเราชอบใจด้วยอำนาจความอยากของปากท้องเป็นของสำคัญพระพุทธเจ้ า, จาถันจึงว่าเป็นข้าศึกศัตรูหรือเป็นอันตรายแก่นักบวช อยู่ยากลำบากลำคาญเพราะเรื่องปากทองมันอยากมันคิดมันชอบมันติดในเรื่องภายนอกเรื่องอาหารก็ต่อไปใจของนักบวชที่ทนอยู่ในศาสนาเป็นพระเป็นเนรไม่อย่างยืนเท้าวอนตลอดชีวิตก็เพราะาความคิดคิดติดข้องในเรื่องกูหญิง เรื่องผู้หญิงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ชายทั่วไปไม่ว่าตั้งแต่มนุษย์สัตว์ตัวผู้แต่ต้องมีคู่คือตัวเมียมันเป็นธรรมดาของเกลียดตันหาของสัตว์มันเป็นมาอย่างนั้นมคคักไข่คิดติดข้องชอบพอยินดีในรูปต้องข้าม ปิตใจใข่คิดในเรื่องของผู้หญิงาะนักบวชคุยคุยกับเรื่องผู้หญิงเป็นไปฝ่ายการอารมณ์ต่างๆท่านก็หักห้ามเอาไว้ยิ่งพูดไปในเรื่องเมทุนทมแล้วท่านก็ต้องตับอาบัดหนักคือสังคาที่เสดเรืเ่องกิเลสคข้องใจมันชอบมันติดแต่นหยจะไรมาโดยที่ไม่ได้ศึกษาจากใครเลยแต่มันก็เกณนขึ้น บังเอิญขึ้นเกิดขึ้นในจิตในใจพอเห็นรูปที่ชอบตาชอบใจแล้วมักไข่คิดคิดข้องอยากเสกอยากสมอยากจูบอยากกอดมีความนึกคิดของนักบวชหรือของผู้ชายถั่วไปแต่ผู้ชายที่เป็นฝ่ายคารวาจะปล่อยไปได้มันชอบอย่างไร ก็พยายามทําตามเรื่องของมันไม่ขัดข้องในศีลธรรมในเพศพูดได้คุยได้จูบได้กอดได้เกบได้ตามความต้องการเมื่อจิตเพื่อนเพ่ของมันเป็นมาอย่างนั้นเมื่อมาบวชก็เท่ากับมากักขังตาไม่ให้ดูหูไม่ให้ได้ยินจะหมูกลิน้นไม่ให้ ดมให้ริมสิ่งที่ตนชอบตนพอใจก็เลยลำบากขัดข้องไม่ยินดีเต็มใจที่จะประพฤติปฏิบัติหักห้ามจิตใจที่ใขค่คิดจิดข้องเหล่านั้นให้อยู่ในวงของธรรมนิย ใ, ใจก็เลยเดือดร้อนวุ่นวายอยากฝึกหาลาพลดออกไป พราะทนไม่ได้กในบังคับบัญชาไม่มีอิสระมีความคิดของพระของเลนผู้ไม่คุ้นกับเรื่องธรรมดินัยผู้บวชใหม่บวชเ ก, าก่เ า, าก็เถอะแตหากจิตใจยังไม่มีหลักของอัตธรรมมันจะต้องวิ่งบ่อนไปตามสัญญาอารมณ์ส่วนนั้นถึงเทศจะยังอยู่ในวัดแต่จิตใจก็อาจจะ ทะเลทลายออกไปสู่สัญญาอารมณ์ต่างๆซึ่งสัญญาอารมณ์นั้นนั้นไม่ใช่ทางที่จะทำจิตทำใจให้ผ่องใสให้สงบติปัญญาเท่านั้นจะเป็นเครื่องรักษาห้ามปลามมาให้จิตจิตปรุงออกไปนอกคนอื่นมองเห็นก็เป็นพระเป็นเนรอยู่ธรรมดา ไม่ทราบวาภายในเหลือร้อนวุ่นวายอย่างไรภายในใจจะสงบสงัดเป็นภาตเป็นเนรหรือไม่เขาทราบไม่ได้เพราะเขาไม่มียานภายในที่อย่างทราบภารกิตของพระพิสุสามเนรถ้าเขาทราบได้อยู่ทุกขณะทุกเวลาแล้ว้าเนร น, นั้นจะถูกเขาจำหนิดว่ากล่าวต่างๆ เพราะความคิดปรุงไม่มีพระมีเนนเป็นโจรเป็นมารคอยขโมยของเ <c oughs> น่าของเสียนึคิ ด, ดติดข้องในของที่พระพุทธเจ้าแม่แน่สอนเขาจะไม่เลื่อมใสเขาจะไม่ศรัทธาเขาจะไม่เต็มใจยินดีในพระในเนรนั้นนั้นนี่คือวาลจิตที่นึกคิดของพระเนน สังวรละวังขาดอัดทำคำสอนของพระพุทธเจ้านอกนั้น <c oughs> ข้อที่สีต่อไปซึ่งเป็นภัยอันตรายของเพียสุสามเณรก็คืออยากได้ความสุขยิ่ ง, งขึ้นไปความสุขของตัวไม่มีอยู่ในตัววิ่งวุ่นไปหาความสุขทางนอกตัวออกไป คือรูปที่ต้องการเสียงที่ต้องการกิ่นรถที่ต้องการสัมผัสที่ต้องการใจของคนที่มีกิเลสตัณหาไม่มีธรรมะอยู่ภายในมากไปในแห่นี้ถ้าหากมีอัตธรรมอยู่ภายในใจมีสมาธิใจมีสมาบัตใจมีสารใจมีธรรม ไม่ได้คิดอย่างนั้นด้วยอำนาจของสมาธิสมาบัติที่จิตไปได้สัมผัสรู้เห็นมีความสงบเยือกเย็นรสชาติประเสริฐเลิศลอยยิ่งกว่ารสส่วนอื่นทั้งหมดในโลกในมีอะไรที่จะประเสริฐเหมือนความสงบสงัดเหมือนการปฏิบัติอัดธรร ปัญญาที่นิพิจารณาแก้ไขใจที่ของจิตจิตปรุงนั่นนั้นรูปที่ติดกำหนัดยินดีเกิดเพลินว่าจะมีความสุขเปิดเปิดพิเศษเพราะการเสพการสมการสัมผัสท่านได้ยกรูปอันนั้นมาที่นิพิจจรณาตามสติตามปัญญาตามอาจธรรมของพระพุทธเจ้า ที่คลายรูป น, นั้นนั้นให้เข้าใจชัดเจนว่ารูปที่เราหลงกับรูปตัวของเราเองไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันพูดถึงธาตุถึงขันก็เป็นอันเดียวกันแต่สมมติดือยสิ่งอาศัยรูปเรียกว่าเพศไม่เหมือนกันเท่านั้น แต่ความแก่ความเจ็บความตายก็เหมือนกันธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนกันขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันตัวของเราเป็นอย่างไรรูปนั้นนั้นก็จะเป็นเหมือนกันกับตัวของเราแล้วเรามีอยู่ทําไมไปหลงไปกําหนัดยินดีปิดข้อในรูปส่วนนั้นเสียงส่วนนั้นนี่หมายถึงสติหมายถึงปัญญา ที่จะแจก้ไขความติดข้องท้องใจให้หลุดให้ตกออกไปเมื่อใจเห็นไปจักว่ารูปทุกรูกมีการเกิดแปรปวนและแตกสลายไม่เป็นของีลังยั่งยืนไม่เป็นของสวยงามเป็นของปฏิกูลถ้าเห็นเด่นชัดในจิตในใจจริงจังไม่ต้อง บอกให้มันปล่อยให้มันวางให้มันทิ้งแต่มันก็ปล่อยก่วางก่อทิ้งเพราะมันเห็นจริงอย่างนั้นเหมือนกันกับเราถือของสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเข้าใจว่าเป็นของดีมีคุณค่าเข้าใจว่าเป็นของที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวของตัวแต่เมื่อที่คายออกไปของนั้นไม่ใช่ของที่มีคุณค่าราคาไม่มีสาระไม่มีประโยชน์นอกจาก จะเป็นโทษคือกิ่นก็ไม่ดีสีก็ไม่งามไม่เป็นของที่หน้ารูปหน้าําไม่เป็นของที่หน้ากาหนัดไม่เป็นของที่หน้า ย, ยินดีจะไปซื้อไปขายที่ไหนใครเขาก็ไม่ต้องการเพราะจริงเหล่านี้มีอยู่ด้วยกันต่าง่านต่างคนต่างเบื่อหน่าถ้าเห็นโดยจิตโดยใจจริงจัง เป็นอย่างนั้นสิ่งที่เราถือมายืดไว้เราก็ทิ้งไปไม่เสียดายไม่อะไรเหมือนกันกันกบกะเล็ดน้าลายของเราซึ่งเป็นของปกปกระปกโดยธรรมชาติตกออกไปจากปากเราเสียดายไหมไม่มีการเสียดายถูกที่นั่งที่นอนถูกผ้าปอนของเราเรายินดีไหม ไม่ยินดีเพราะเหตุใดเพราะถือว่าสิ่งนั้นเป็นของสกปรกสิ่งนั้นไม่เป็นสิ่งดี่เราต้องการฉันใดใจผิดไข่ ค, คิดติดข้องในรูปเสียงต่างๆเมื่อพิจารณาดูโดยขีดท้วนเห็นสิ่งนั้นเป็นของประจกูลเห็นสิ่งนั้นเป็นของสกปรกเห็นของสิ่งนั้นไม่เป็นสาระ มันกดทิ้งไปเองวางไปเองปล่อยไปเองเพราะความเห็นความเป็นในจิตได้ชื่อว่าวิปัสสนาหรือปัญญาแต่ต้องอาศัยจิตที่มีสมาธิมีธรมรมจึงจะพิจารณารู้แจ้งเข้าใจจริงถ้าจิตไม่มีอาจมีธรรมพิจรารณาลอยลมไปมันแกกไขไม่ตกเห็นก่อ ชั่วรยะแค่ตาเดียวเหมือนฝ่าแรกไม่ถนัดชัดเจนให้จะทำอะไรจับอะไรก็ไม่ถูกเพราะมันแคบเดียวเท่านั้นนี่สัญญาทิ่จำมาด้วยการใส่จิตที่เจรณนาด้วยจิตที่ไม่มีสมาธิไม่มีอาจมีทำก่อทำนองนั้นเบื่อนายชั่วระยะแต่ก่าติดข้องโดยส่วนใหญ่ ่ายแรกมองเห็นได้ชั่วระยะแต่เวลามืดมากฉันใดคนที่จะไปอาศัยสายฟ้าเดินทางย่อมไม่ปลอดภัยฉะ น, นั้นฉะ น, นั้นการที่นี้พิจารณาธรรมะที่จิตของท่านรู้เห็นเข้าใจชัดเจนมีความสงบเป็นพื้นมันสว่างสวัย เข้าใจชัดเจนเหมือนคนจี่มีไฟตามไปในระยะเดินทางยอมมองเห็นลุ่มบ่อหลักตอ่อถนัดชัดเจนไม่โดนไม่ตกลุมบ่อในนั้นเพราะตาเห็นรูปที่นี้อยู่ในโลกกว่าชั้นนั้นเหมือนกันท่านจีนีอาจมีทำท่านเข้าใจแกนแจงชัดเจนเห็นไปจับเพราะอาจทำจีบประจำ จิตประจําใจของท่านท่านไม่ได้หลงไม่ได้จิตไม่ได้คล้องเพราะรูปที่เกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกฉลายรูปทั่วไปเป็นทํานองนั้นไงว่ารูปหญิงรูปชายเป็นทํานองเดียวกันตัวของเราเป็นอย่างไรเขาก็เป็นอย่างนั้นรูปนั้นนั้นการเป็นอยู่ได้ดูแลรักษาปฏิบัติ ลำบากอยากเย็นขนาดไหนจึงมีชีวิตชีวามาได้ก็พอเข้าใจรูปของเรามันให้สุขหรือให้ทุกข์ขนาดไหนเราก็พอเข้าใจความหิวห่ยต่างๆโครคไข้ไข้เจ็บต่างๆมันเต็มอยู่ทั่วกายความโกกระปกก็เต็มอยู่ทั่วกายจึงเป็นภาระหน้าที่จะต้องปฏิบัติ รักษาในเมื่อชีวิตของเรายังมีอยู่จะต้องดูแลรักษาเป็นภาระอย่างหนักหน่วงไม่ใช่เรื่องเล่นๆง่ายง่ายเมื่อเห็นเป็นภาระแล้วหาอะไรไม่ได้จากรูปนี้อันนั้นเราจะไปหลงไปเพินทำไมจิตใจยอมเบื่อหน่ายเข้าใจตามเป็นจริงของรูปข่งรูป ทุกเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรกินนาหลุ่มหลงไม่มีอะไรหอมหวนไม่มีอะไรสวยงามเมื่อจิตใจรู้เห็นเด่นชัดอย่างนั้นก็ย่อมเบื่อหน่ายเมื่อจิตเบื่อหน่ายจิตก็คลายกำหนัมไม่ยินดีอยากจุอยากเกอะมันหมดไปเองเพราะความเห็นทำเป็นข้องจิต มันคิดปรุงในทางเบื่อหน่ายไม่ว่าตั้งแจ่รูปของตัวเองรูปคนอื่นก่อทานองนั้นรูปคนอื่นชันใดรูปของตัวก่อทานองนั้นจึงไม่มีอะไรที่จะสงสัยภายในใจการเกิดการตายก็เห็นว่าเป็นภาระเห็นว่าเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเห็นว่าเป็นสิ่งกีหน้าขยะหน้าตัว เพราะเป็นภาระหน้าที่จะดูแลรักษาท่านจึงเบือ่อม่ยินดีในเต็มใจไข่จิตในทางที่จะหนีจากคบชาตต่อไปรูปที่จะเกิดขึ้นมาก็อาศัยจิตถ้าไม่มีจิตรูปก็อยู่ไม่ได้จะต้องแตกสลายไปตามเหลืองของมันจิตที่จะมาก่อรูป ขอพ่อติดข้องในเรื่องภพชาในเรื่องกิเรศตัญหาอุปาทานต่างๆเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะถันจางแก่เรื่องของจิตที่นิพพิจารณาตามติดข้อต่างๆภายในสำลักจิตใจจับผิดความจิตปรุงของจิตเมื่อสติเข้าไปถึง ปัญญาเข้าไปวิจัยจริงจังมันก็แก้ได้ตกได้หมดไปได้จิตก็เลยมีความสะดวกสบายหายห่วงคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยถือว่าเป็นของดีวิเศษยิ่งกว่าเพชรกวงพลอยแค่อีกเพราะเป็นของมีคุณค่าสาระแก่ตัวของตัวถ้าเราไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นแสงสว่าง สองทางให้เราจะหลงไปไม่ทราบว่าจีพบกีชาตงเยนบ่ายตายเกิดอยู่ในวัตราสงสารเลยเคารพนอบนอบ้อมบูชาทำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เบื่อหน่ายยินดีพอใจจะประพฤติจะปฏิบัติจะรักษาธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนทุกสิ่งทุกอย่างไปลกตามอยากอาหาร ความหลงในรสของอาหารทานกัพิจรารณาอาหารหวานคาวต่างๆซึงรับทานลงไปฉันลงไปทานจริงแล้วอาหารหนั้นนั้นถ้าปล่อยเอาไว้วางเอาไว้จะต้องบูดเน่าเสียหายส่วนแต่ของเน่าของเสียทางนั้นที่เรานำมาบริโภค ก, กันไม่ใช่ว่าจะยืนยงคงอยู่ เกี่ยวไปคืน้องคืนจะต้องมีกลิ่นเน่าเหม็นขึ้นแต่อยู่ภายนอกด้วยความอยากในเหนือที่นี้พิจารณาว่าอาหารเป็นของปฏิกูลอย่างไรขบฉันไปด้วยความอยากคือตันหาหลงในรสชาติของอาหารต่างๆนานาผมเลยทำให้จิตใจชอบติดจิตปรุงไปในรสของอาหาร รสนั้นอร่อยอย่างนั้นรสนี้ดีวิเศษอย่างนี้มีความคิดตรุงของจิตจิตมีธรรมะเป็นเครื่องแก่เครื่องรักษาแห้ทั้งวรระวังในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอาจจิตถัาจึงให้ทั้งวรระวงรักษาเวลาที่อยู่ในหม้อหรือในถ้วยในจาน รสอาหารนด้กลิ่นอาหารก็ย่อมมีกลิ่นพลุ่มใหม่ใหม่มีกลิ่นหอมหน่าอยากน่าดื่มน่ากินแต่ถามอาทินี้พิจารณาอาหารส่วนนั้นเอาเข้าไปในปากเราไปบดเคี้ยวในปากของเราทายออกมาอาหาร ทว่าปานิษอ า, ารที่ว่าดีจะเป็นอย่างไรสามารถที่จะทานเข้าไปได้อีกไหมไม่มีใครที่สามารถทานเข้าไปได้อาหารรสชาติขนาดไหนก็เพราะอานาจที่เราหลงติดข้องในที่นิจรนารณาจึงหลงว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ความจริงรสอาหารนั้นก็ต่อเมื่อธาตุขันยังสมบูรณ์ยังต่องการ รสอาหารจึงอรทอร่อยถ้ า, าทานในตรงการรสอาหารจะดีขนาดไหนเหมือนคนไข้เอาเข้าไปรสไม่มีความจริงก็หลงน้าลายของตัวเองถ้าไม่มีน้าลายอาหารตื่นไม่ลงทานไม่ได้น้าลายมันเป็นของหยิบของดีเมื่อไรผมใส่ในที่ต่างๆยังไม่มีใครชอบ มีเรื่องของอาหารเราทานเราฉันเพื่อรักษาถาดขันให้เป็นอยู่พอได้ผักพติปฏิบัติอาจทำไปเท่านั้นแต่ว่ารสอันนั้นดีรสอันนี้วิเศษนั่นเป็นเรื่องของเกลียสตันหาเป็นเรื่องโลกของเขานิยมชมชอบกันแต่พระจริงจังเนนจริงจังผู้ประพฤติปฏิบัติอาจทำฉันไปพอเป็นยารักษาถาดขันไว้ไม่ได้ฉันเพื่อความหลงความ เทินอย่างนั้นถาดดินก็ต้องเอาดินเพิ่มเติมรักษาถาดน้ำก็ต้องหาน้ำเข้ามาเพิ่มเติมไว้ไม่อย่างนั้นก็เหี่ยวแห้งหรือแตกสลายถาดลมก็เหมือนกันถ่ายออกถ่ายเข้าเคื่อหายใจออกหายใจเข้าเพิ่มเติมอยู่ทุกระยะทุกเวลาถาดไฟก็เพิ่มเติมเหมือนกันไม่อย่างนั้นมันแตกมันสลายกว่าจะมีเวลาที่จะประพฤต ปฏิบัติอารทมให้ถึงฝั่งไปได้เหมือนเรือขี่รั่วเราขี่ไปเพื่อจะข้ามฝั่งหากเราไม่เยียวยารักษาปล่อยให้มันรั่วเยี๋ยวกว่าโจมน้ำตายไม่ถึงฝั่งชั้นใดธาตุขันของพวกเราท่านการขบชันอาหารก็ทำนองเดียวกันรักษาเยียวยาเรือเพื่อ เป็นภานะขอพายไปพอข้ามฝั่งได้ไม่ได้จิตข้องในรถถาดบ้องอาหารอย่างหนักหน่วงทางจิตทางใจเมื่อจิตได้พิจารณาได้อย่างนั้นจริงได้ที่ไม่เป็นภายอันตรายต่อธาตุขันจริงได้ที่ไม่สแสรงต่อโลกภายในกายคบฉันได้ไม่ยึดถือเพราะไม่ผิดหลักธรรม ยินัยของพระพุทธเจ้าแต่สิ่งใดที่ผิดธรรมผิดวินัยอย่าไปขบไปฉันขบฉันไปจะเป็นผิดเป็นภัยอีกถา้าพินิพเจนาอย่างนี้ความมีกิเลสตัณหาภายในใจไข่คิดเรื่องอาหารจนเกิดวุ่นวายภายในก็จะดับไปหมดไปนี่เป็นเรื่องพระเนนทุกองจา ที่นพิจารณาตัวของตัวเองเพื่อแก้ไขความอยากความติดความนึกความคิดในรสชาติของอาหารจะดับอันตรายของใจขีไข้ติดติดข้องต่างๆสงบระงับลงได้อุบายปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนมีมากมายมในใจของเล็กน้อยที่บัญญัติเอาไว้เพียงนิดหน่อยเหมือนน้ําในมหาสมุทรที่คน ตักขึ้นมายัางนิดๆหน่อยๆเหลืออยู่นั้นยังเยอะแยะหลายเท่าความคิดความปรุงความรู้ความเห็นในจิตในใจของเราที่ไปอย่างทราบธรรมะของพระพุทธเจ้าก่อนฉันนั้นเพียงนิดหน่อยเล็กน้อยไม่ใช่มากมายหลายหลวงอะไรเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้า <c oughs> เป็นของใหญ่โตูกติมีปัญญาสามารถขนาดไหน แม่พระพุทธเจ้าด้วยกันจะพระรัรณาความรู้ความฉลาดหรือคุณธรรมของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะพระรัรณาให้ทั่วถึงหรือหมดสิ้นไปได้สามันชนธรรมดาหรือสาวกก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่มีเวลาโอกาสที่จะพิจารณาธรรมะของพุทธเจ้าให้ทั่วถึงเพราะธรรมะของท่านมากม า, มาในพระไตยของท่าน ฉตนั้นพวกเราท่านที่เป็นนักบวชถากถือธรรมะยึดธรรมะที่พระพุทธเจ้าแนะนำจะน้อยกว่าตามแต่ขอให้เป็นธรรมะจริงจังภายในจิตในใจจิตใจที่คนจิตติดข้องเรื่องของโลกอันตรายของพิจุสามเณรทั้งสี่จะอันตรธานหายไปใจจะมีความเยือกความเย็นใจจะมี ศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิชาวิมุตตมีความสุขความสบายหายห่วงอยู่ในโลกไม่ติดกับโลกอยู่ในโลกอย่างสะดวกสบายโดยไม่ติดข้องเร่าหมองโลภหลงไปตามเรื่องของโลกนี่คือจิตผู้ฝึกผู้อบรมผู้พินิษฐ์พิจรารณา เลยสะดวกสบายไม่มีเพจอะไรที่จะประเสริฐวิเศดเท่ากับเพจของพระของนักบวชเลยอยู่สะดวกสบายเพราะเพจของนักบวชนั่งก็สบายนอนก็สบายขบถันก็สบายนั่งสบายอย่างไรเรานั่งอยู่ในสถานที่ใดก็ไม่มีผู้คนผู้เล็กเด็กแดง มาเกี่ยวข้องถ้าเป็นคาระวาสมีครอบครัวเราเป็นอย่างไรนั่งสบายไหมนอนสบายไหมไม่มีโอกาสเวลาจะนั่งจะนอนสบายเหมือนชะเหมือนเนนเราที่อยู่ที่อาศัยก็อยู่ในที่สงบสงดเป็นวัดไม่ใช่บ้านอยู่หลังละองค์เท่านั้นอยู่กันแบบสะดวกสบาย นอนสบายไม่มีเด็กมีเล็กมีอะไรมารองให้จิตใจเมื่อห้ามกัน้น <c oughs> ทำลายเรื่องกิเลสตันหาภายในมีความสุขความสบายมากเพราะไม่อยากไม่คิดไม่ติดไม่ขอ้อไม่ปรุงไปเรื่องนอกมันก็เลยเจนสุขเหมือนคนที่ไม่มีโรคไข้เบียดเดียนร่างกายย่อมสุขย่อมสบายจะไปไหนมาไหนหนัง่งนอน ได้ตามความต้องการของตนจิตใจที่ไม่กังวลจิตข้่องกับเรื่องสัญญาอารมณ์ที่เหลือสรหาก็เป็นจิตใจที่ปร า, า, าศจากโรคภัยภายในเลยสุขเลยสบายประเสรศิดวิเศษจิตที่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะอาศัยการอบรมการฝึกฝนการทำจริงเชื่อมั่น ว่าคาสอนของพระพุทธเจ้ า, จาท่านเป็นของจริงไม่ใจ่ของปลอมที่เราเห็นว่าเป็นข่าวตึกศัตูก็รู้ก็เข้าใจว่าจิตใจของเรายังมีกิเลสตัณหามานะทิฐิมีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฐิยังไม่เข้าถึงในทราบัดเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้ า, จาว่าควรปฏิบัติควรกระทําตาม หากเราเห็นเข้าใจชัดเจนแบบคำคสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสัจจะธรรมเป็นของจริงไม่มีอะไรจอมปลอมผู้ประพฤติปฏิบัติเต็มจิตเต็มใจประพฤติปฏิบัติแล้วรู้เห็นในภายในการละที่เด็ดปัญหาของใจเป็นของประเสริฐวิเศษพยายามขับไล่สัญญาอารมณ์ต่างๆถึงเคยเกาะ จิตใจเรามาให้ตกออกไปโลนออกไปด้วยปัญญาทิจไรนาให้รู้ให้เห็นเด่นชัดภายในจิตในใจจริงจังจนจิตใจไม่ยึดใน่จิตข้องในสัญญาอารมณ์ในรูปเสียงเครื่องราวต่างๆตามีก็ไม่เป็นที่เป็นไยัยหูมีก็ไม่เป็นที่เป็นไยัยอยู่ในโลกแต่ไม่ติดกับโลกเขา เราทราบเราเข้าใจตัวของเราอยู่ทุกระยะทุกเวลาถ้าเป็นอย่างนั้นความสุขความสบายเป็นอย่างไรไม่ต้องถามใครเพราะทำเป็นสันคิที่โกจะรู้จะเข้าใจในตัวของตัวเองถึงใครจะมาบางังคับบัญชาว่าเพาียพระเพียรเนรเป็นของไม่ดีสึกออกมาเสียเขาจะมาทำยัยุ่อยอย่างไร จะใหายใจเพื่อเชิญหลงไหลไปตามทิเดยดกันหาเป็นไปไม่ได้ถ่าใจถึงที่สุดวีมุตรจริงจังไม่มีการกับกรอกหลอกหลอนทันทดว่าเป็นวีมุตเป็นสมมติเศษเด็ดขาดไม่ติดข้องต่อไปใจอย่างนั้นพวกเราท่านยังไม่เห็นยังไม่เป็นซึ่งอุตสาหพยายามฝึกอบรมตัวคลองตัว ถ้าฝึกอบรมสังวรจริงจังใจที่คิดจิดข้องในสิ่งต่างๆพยายามห้ามกันเอาไว้จนมีกำลังของใจคือปัญญาสติดีพอสู้ลบทีนีพิจารณากับสิ่งที่มันติดข้องเรี่ยงว่าทีเรื่ตัญหาจะได้ช้คณนะคือความรู้ความฉลาด ภาในตัวไม่ติดคล้องไม่ยึดถือแล้วความสุขความสบายไปสถานที่ใดความบริสุทธิ์ของใจบริสุทธิ์สม่ำเสมอไปไม่คิดว่าไปโลกนั้นก่อนไปโลกนี้ก่อนคนนั้นสวยอย่างนั้นคนนี้งามอย่างนี้ไม่มีสึ่งชื่อว่าคนแล้วจะเป็นเหมือนกันหมดคือธาตุอันเดียวกันขันอันเดียวกันขี่เหมือนเหมือนกัน ไม่มีอะไรดีวิเศษเยไม่มีการจิตการข้องการหลุ่มการหลงนี่คือจิตที่ฝึกหัดดันตัวมีความสุขความสบายป ร, ระเสริดสมกับเพศวะพระประเสริฐจิตก็ประเสริฐไม่มีจิตที่จิตปรุงในทางชั่วทางเสียอยู่ในโลกอย่าง สะดวกสบายตายอย่างไม่ห่วงไม่ห่วงนี่การตรวจจิตเด็ดของที่มีคุณค่านีสาระจิตที่จิต้ล่องต่างๆ้วนะซึงทราบว่าจิตแสงไปด้วยกิเลสตัณหาจิตปรงุงปร่งไปเท่าไรแทนที่จะมีกําลังของใจยิ่งอ่อนทียจะไปเท่านั้นยิ่งเสียหายไปเท่านั้นเรื่องของกิเลสตัณหาจิตละเอียดไปเท่าไร เจอจนใหญ่กิเลสมันก็มักละเอียดไปตามเรื่องของจิตจนแก้ไขตกไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือจึงียก ว, ว่ากิเลสตันหามันสุขมันสบายเหนือโลกจึงควรทุกคนจะสนใจฝึกอบรมตัวเองอย่าไปคิดว่า วันเวลาเดือนปีจะฝึกให้นอกจากตัวของตัวเท่านั้นจะฝึกกายฝึกใจของตัวสิ่งใดเป็นภัยอันตรายทาจิตทำใจใหืววุ่นวายขัดข้องทีนี้พี่เจรนาะหาทางแก้ทางไขทางละทางถอนอย่าไปเพิ่มเติมมันปุ่งมันตรุงไปติดข้องในรูปขอบพี่เจรนาะไปในด่านสวยด่านงาม ั่งควรกำนักยินดีมันก็ไปกันใหญ่ให้คิดพิจานะ yeah, yeah. รณาแยกแยะสิ่งที่ไปติดข้องมันมีในเราหรือไม่ส่วนใดมันสวยมันงามส่วนใดมันหน่ากำนัดยินดีทีนี้พิจารณาหาดในตัวของเราเพราะทราบได้หน้ามันแดงแดงกว่าเพาะเลือดหยดย่อยเลยผ่าใลยที่นั่งที่นอนใส่น้ดื่มหรืออาหารเราชอบพอไหม หน้าคนมันแดงเพราะเลือดนะไม่ใช่เรื่องอืนอ่นๆหน้าหมามันกว่าแดงมีเลือดเหมือนกันเราทำไมไปชอบมันให้ไข้คิดแนะสอนจิตของตัวถ้านี่ทาแล้วมันสะดวกสบายที่จรนาอะไรมันง่ายเหมือนคนมีสองมือจะทำอะไรได้แต่คนไม่มีทรมีใจกิเลส ตัณหาโจมตีอยู่ทุกระยะทุกเวลาโง่คอไม่ขึ้นแต่คิดจะนึกอะไรถูกกิเลสตัณหามาปิดกั้นเอาไว้เลยใจบวนปั่นเมหันเลยอยู่ในศาสนาไม่ได้ใจไม่มีสาระไม่มีแก่นสารใจแบบนั้นเป็นใจที่ดีวิเศษกว่าพระพุทธเจ้าคงไม่มีธรรม มาแนะนำสั่งสอนพอมันวิเศษด้วยกันทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์นี่มันไม่ไปเปรศวิเศษอย่างนั้นท่านจะมีคำสอนมาแก้ไขเมื่อมันปรุงมันจิตมันติ ด, ม, ดมันคล่องต่างๆก็ซึ่งเจ้าอ่ะมีโรคมีภยัยภายในจิตคือโรคกิเลสตัญหาก็ควร น, นำยาคือธรรมะของพระพุทธเจ้ามารักษา มาแก้ไขก็เรามีโลกของกเกลียดอย่างนี้เราจึงได้มาบวชเรามาบวชเพื่อแก้ไขกเกลียดเพื่อแก้ไขใจของตัวในใจมาบวชเอาผ้าเหลืองมาบวชเอากติวิหามมาบวชเพื่อจะแก้ไขจิตใจที่เดือดร้อนอุ่นวายขัดข้องให้จิตใจั น, นั้นเยือกเย็นเป็นสุข ละถอนปล่อยวางหายจากยึดถือต่างๆนี่เป็นเรื่องทุกคนจะสนใจสอนใจของตนถ้ามันมีเรื่องชั่วก็พยายามละพยายามพิจะะารณาพยายามแก้ไขถอดถอนมันเมื่อมันมีดีอย่างไรก็อย่าหลงไหลในความดีของตน พอความดียังไม่ถึงที่สุดถามันถึงที่สุดเมื่อใดไม่มีอะไรที่จะสงสัยหมดทุกสิ่งทุกอย่างความอยากตกไปหมดไปอยากไปนิพพานไหมไม่เพราะนิพพานอยู่ที่ใดเข้าใจแล้วความอยากไม่มีอยากเกิดอีกไหมไม่ความอยากทั่วไปในความบริสุทธิ์ไม่มีหมดอยาก แต่ระยะยังไม่อิ่มมันก็ต้องอยากอยากได้อยากดีอยากก้นทุกข์จึงตั้งหน้าตั้งตาพยายามรักษามีศรัทธาเชื่อมัน่นมีวิยะาันติการแผ่เกียรอดทนพยายามทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้าทำสอนเป็นประโยชน์สำหรับคนขี้ยังมีกิเลสตัญหา คนไปจากกิเลสตัณหาแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเหมือนกันกับคนหิวอาหารจะต้องเป็นประโยชน์คนไข้ยาจะต้องเป็นประโยชน์แต่คนไม่มีไข้ไม่มีหิวอาหารก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรยาก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรโรคไในตัวของเขาไม่มีนี่ฉันใดทำคำสัำ่งสอนของพระพุทธเจ้าสอนพวกเราท่านเพราะยังมีกิเลสตัณหา ก็จะตรับปรุงกายวาจาใจของตัวให้ดีให้ถูกต้องตามคําสอนของท่านแล้วความสงบความสุขไม่ต้องเรียกหาเหมือนเราทานอาหารทานอิม่มไม่ต้องเรียกหาขอให้ทานเรื่อยไปความอิ่มเป็นอย่างไรจะไปจักขึ้นอาหารจะมีดาดืน่นเลือกเพื่อขนาดไหนถ้าอิ่มแล้วก็ไม่จำเป็นอะไรที่จะคว้ามาใน ป, ปากของตัว ดังนั้นทำคําสอนของพระเจ้ า, า, า, า, าขอทุกท่านจงหมั่นที่นพิจรารณาอยากมีความสุขอยากประเสริฐอยากยิเ่เศษอยากข้นจากกิเลสพึงนํำคำสอนของพระเจ้ า, า, า, า, ามาแก้ไขกายใจของตัวละชั่วบำเพ็ญดีทวีคูณขึ้นสิ่งที่เราต้องการก็จะเป็นของของเรา